ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องเรียก ว, ว่ากล่าวให้โดยชอบโดยชอบนี่แปลว่าถูกต้องไม่ผิดพลาดอย่างอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เสด็จออกผนวชหรือที่เรียกว่าออกบวชเนี่ยนะในปาสราสีสูตรก็กล่าวว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีชาติชาราพยาธิมรณะ เป็นธรรมดาก็แสวงหาพระนิพพานเนี่ยนะแสวงหาพระนิพพานที่เป็นธรรมที่ดับชาติชราพยาธิมรณะเป็นธรรมดาซึ่งพระนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมที่ทําให้ผู้ตรัสรู้พระนิพพานพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่ดับความโศกดับความคร่ําครวญดับความคับแค้น ดับความเศร้ามองสรุปว่าดับวัตตะดับเหตุให้เกิดวัตตะเนี่ยนะดับความเป็นภายในวัตตะเพราะพระนิพพานเป็นที่ออกจากวัตตะโดยประการทั้งปวงพันพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จออกบวชบวชแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ก็เพื่อบรรลุพระนิพพานที่เรียกว่าเพื่ออนุปบาทภาิรมิพานพระสาวกทั้งหลายพระอัญญาโกณทัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามะพระสิชิ ท่านเหล่านี้ท่านก็ออกบวชเพื่อสแสวงหาพระนิพพานนะนะแสวงหาพระนิพพานแต่ทีนี้การที่จะบรรลุพระนิพพานได้จําต้องมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปโดยลําดับจึงจะมีการบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือแม้กระทั่งพระสารีบุตรที่สนทนากับพระปุณณมันตานีบุตรท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนะนะ โดยทิ้งกล่าวถึงรถเจ็ดลศีลวิสุทธิเพื่อประโยชน์ต่อจิตตวิสุทธิเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นไปโดยลําดับเมื่อปฏิบัติเป็นไปโดยลําดับปรัสรูพรนิพพานแล้วก็ผลจากชาติชรามรณะที่เรียกว่าอนุปาธาปรินิพพานทำที่ดับความเกิดทำที่ดับความแก่ดับความตายเป็นต้นอมตะนิพพานนั้นจึงชื่อว่าอนุปาธาปรินิพพานที่นี้ พระอริยสาวกอื่นๆก็ในยะเดียวกันในในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระอสิติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่หรือผู้ที่บวชโดยถูกต้องเป็นไปตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นล้วนบวชเพื่อปรารถนาจะบรรลุมรรคผลนิพพานอ่า น, นทีนี้ข้อปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นก็คือศีลสมาธิและ ปัญญากระจายออกมาก็คือศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิแล้วก็ญาณทัศนวิสุทธิป ญ, ญาณทัศนวิสุทธินั้นเป็นปัจจัยแก่อรหัตผลญาณทัศนวิสุทธิคืออรหั ต, ตมัคเป็นปัจจัยแก่อรหัตผลการที่เข้ามาบวชเรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ น, นี่ยนะ การรักษาศีลเรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์การเจริญจิตวิสุทธิก็เป็นการประพฤติพรหมจรรย์การอยู่ในทิฏฐิวิสุทธิอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะทิฏฐิวิสุทธิ์กังขาวิตรณวิสุทธิทั้งหมดเหล่านั้นก็เป็นอธิปัญญาสิกขาศีลเป็นพรหมจรรย์สมาธิเพรเป็นพรหมจรรย์ปัญญาเป็นพรหมจรรย์มันสติประฐานศีก็ชื่อว่าพรหมจรรย์ สัมมารประธานสี่ก็ชื่อว่าพรหมจรรย์นะนะอิทิบาท4ี่ก็ชื่อว่าพรหมจรรย์อินทรี่รรห้าก็ชื่อว่าพรหมจรรย์พระละหก็ชื่อว่าพรหมจรรย์โพชชงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าเป็นพรหมจรรย์เพราะเป็นการประพฤติอย่างประเสริฐเนี่ยนะก็คือโพธิปัจจะธร ร, รมธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายเพื่อเป็นเหตุให้ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เรียกว่าพรหมจรรย์เพราะเป็นการ ประพฤติประเสริฐเนี่ยนะเพราะเป็นการประพฤติเพื่อให้ตรัสรู้ธรรมที่ประเสริฐคือพระนิพพานทีนี้การบวชเพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องก็คือบวชเพื่อปฏิบัติในโพธิปัจจะธรรมเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานอริยมรรคเนี่ยนะซึ่งเป็นเหมือนกับรถเจ็ดพลัดที่นําออกจากทุกขไปสู่นิพพานอันนี้เรียกว่านิยานิกธรรมธรรมที่นําออกจากทุกข พระนิพพานนั้นเป็นน nah ิสรณะธรรมเป็นธรรมที่สลัดออกจากทุกอริยมรรคเนะนาออกจากทุกพระนิพพานเป็นธรรมที่สลัดออกจากทุกแล้วทุกที่ว่าคืออะไรหนอทุกที่ว่าก็คือชาติชรามมรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตดังที่เราสวดเมื่อกี้ใช่ไหมเราทั้งหลายเป็นผู้มีอ่เป็นผู้ถูกครอบงำแล้วโดย ความเกิดโดยความแก่และความตายโดยความโศกความร่ำไรราพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านี้แหละเป็นเป็นความทุกข์ที่ทุกคนถูกถูกทุกทั้งหลายเนี่ยครอบงำนะซึ่งความจริงที่เรียกว่าเป็นทุกข์เหล่านั้นก็คือเนี่ยตัวเบียดเบียนอยู่ที่ไหนเนอทุกเนี่ยมีความหมายว่าเบียดเบียนพวกเราทั้งหลายนี่แหละคือสภาพที่ เบียดเบียนละตาก็เบียดเบียนหูก็เบียดเบียนจมูกก็เบียดเบียนลิ้นก็เบียดเบียนกายก็เบียดเบียนใจก็เบียดเบียนเนี่ยนะทุกขณะของชีวิตเนี่ยถูกเบียดเบียนด้วยปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะถูกเบียดเบียนด้วยสังขารธรรมนะเพราะอะไรเพราะจําต้องอาศัยปัจจัยอย่างมากมาบํารุงปัจจัยเป็นอย่างมากบํารุงตาปัจจัยเป็นอย่างมากบํารุงหูบํารุงจมูกบํารุงลิ้นบํารุงกายแล้วก็บํารุงใจ เมื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถูกปัจจัยปรุงแต่งสร้างขึ้นเนี่ยถูกเบียดเบียนก็เห็นความไม่เป็นสาระของสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะปรุงแต่งก่อร่างสร้างขึ้นมาก็ยากเนี่ยนะกว่าจะได้รูปเพราะคำว่ารูปเนี่ยนะมันเป็นศัพท์ที่ใช้กว้างขวางหรือคําว่าเกิดแก่เจ็บตายนนาก็ใช้กว้างขวางเกิดแก่เจ็บตายในนรกเกิดแก่เจ็บตายในเปรตเกิดแก่เจ็บตายในอสุรกายในเดรัจฉานความเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์และเหล่าเทวดาทั้งหลาย อันนั้ซึ่งพวกนี้ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็คืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าเหล่านี้แหละเป็นธรรมชาติที่เบียดเบียนเยื่อใยในขันห้าทั้งหลายเหล่านี้เยื่อใยในอายตนะทั้งหลายเหล่านี้เยื่อใยเนี่ยครับก็เปรียบเหมือนต้นไม้ต้นไม้เนี่ยที่เพาะปลูกขึ้นเพราะมีเยื่อใยมียางเหนียวเมล็ดพันธุ์พืชทั้งหลายจึงปลูกขึ้นหรือ การตอนกิ่งตัดกิ่งเป็นต้นก็เนื่องจากว่าต้นเหล่านั้นยังมีเยื่อใยยึงมีการเพราะปลูกขึ้นฉันใดขันทั้งหลายเหล่าใดคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นที่ตั้งแห่งความเยื่อใหญ่ตัวเยื่อใยนั่นแหละเพาะปลูกให้มีขันอายตนะต่อต่อไปพันั้นเห็นแล้วว่ากองทุกข์ทั้งหลายคือขันอายตนะธาตุชาติชรามรณ์ควรกําหนดรอบรู้เยื่อใหยในขันห้าเป็นสิ่งที่จะต้อง ตะโปจะตะ บ, บะเผาเนี่ยนะเรียกว่าต้องประพฤติคุณธรรมทั้งหลายเพื่อเผาเพื่อคั่วเพื่อย่างให้เยื่อใยเหล่านี้เหือดแห้งไปแต่ว่ากว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีข้อปฏิบัติที่นำออกจากทุกคืออริยมรรติเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานมันบุคคลผู้ ผู้บวชอย่างถูกต้องในพระพุทธศาสนาก็บวชเพื่อกําหนดรู้ทุกข์บวชเพื่อละสมุทัยบวชเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งนั้นการที่จะกําหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งอันนั้นแหละต้องปฏิบัติตามอริยมรรคทั้งหลายอริยมรรคทั้งหลายถ้ามารียงเป็นข้อปฏิบตัติก็จะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาเนี่ยนะก็ไล่ขึ้นไปอย่างนี้จนถึงอริยมรรคเนี่ยนะก็ค่อยๆไล่เป็นลําดับเพราะการศึกษาการฟังเนี่ยสามารถฟังได้ อย่างกว้างขวางแต่เวลาการเจริญการปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามลำดับเนี่ยนะอย่างในปฏิสัมพิธามรักเนี่ยที่จัดลำดับถึงการเจริญหรือการปฏิบัติในพระศาสนาเช่นเบื้องต้นนี้ต้องเป็นสุตะมายาญให้มีสุตะมายาญฟังให้เข้าใจ 2. เมื่อฟังเข้าใจแล้วสี่ลมายาญมาสังวนสัมรวมเนี่ยนะพอสังวนสัมรวมอย่างถูกต้องแล้วก็เจริญเป็นจิตก็จะเป็นสมาธิภาวนา มยาญาณเมื่อมีสมาธิภาวนามยายาญาณแล้วจึงสามารถกําหนดสังขารทั้งหลายได้เรียกว่าปัจจย ป, ปริกะหญาณกําหนดสังขารพร้อมทั้งปั จ, จใจไข้ครวนสังขารเหล่านั้นทั้งหมดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในอกป่าทานขันห้าทั้งปวงเหล่านี้ซึ่งข้อปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนั้นไปโดย ลำดับเนี่ยนะก็จะเป็นไปโดยลำดับนั่นเรียกว่าปรรมจัรย์ในพระพุทธศาสนาเพราะพรัรฌาในพระพุทธศาสนาคืออธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะถ้าสูงสุดเลยก็คือมัคคพรมอาจารย์ปรัชฌ์นี้แบ่งออกเป็นสองอย่างคือมัคคพรมอาจารย์และอาเข้าไปศาสนาปรัชฌกับอริยมัคคภรมอาจารย์ ศาสนพรมจารย์ก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้บุคคลทั้งหลายประพฤติปฏิบัติย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าประชมรวมพร้อมบริบูรณ์ครบถ้วนก็เป็นมักคพรมอาจารย์เนี่ยนะที น, นี้ผู้ที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยนะจะได้บรรลุมัชฌผลนิพพานเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหม เจริญข้อปฏิบัติจนสำเร็จอริยมรรคอริยผลบรรลุพระนิพพานโดยท่วนหน้ากันอย่างนั้นใช่ไหมบอกไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ก็นี่แหละจึงมีสูตรชื่อว่ามหาสารโรปมะสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัญธาตเนี่ยนะกล่าวถึงผู้ที่เข้ามาบวชในพระาศาสนาผู้ที่มาเข้ามาบวชในพระาศาสนาเปรียบเหมือนคนต้องการสแสวงหาไม้แก่นสแสวงหาแก่นไม้ ว่ามาพบไม้แก่นหรือมาพบต้นไม้ที่มีแก่นจะเลือกเอาแก่นหรือจะเลือกเอากิ่งใบก็ตามใจเนี่ยนะก็เป็นที่มาของสูตรนี้เพราะในพุทธศาสน า, าสมัยก่อนก็มีผู้ที่บวชเข้ามาได้พบแท้กิ่งใบาบางพวกก็พบแต่เฉพาะสะเก็ดบางพวกพบเปลือกกระพี้บางพวกก็พบแก่นเนี่ยนะก็ตามสมควรแก่ฐานะซึ่งพระพุทธเจ้ากล่าวถึงผู้ที่เข้ามาบวชในพระาศาสนาโดยยกพระเทวทัตเป็น ตัวอย่างถึงว่าผู้ที่แสวงหาในศาสนาเนี่ยแสวงหาอะไรแล้วก็ประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรมหาสารโรปมสูตรข้อ347ร้เจข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณภูเขาคิดฉกูดกรุงราชครึกเมื่อพระเทวทัตหลีกไปไม่นานณที่นั้นแหลคือหลังจากที่หลังจากไหนหลังจากที่พระเทวทัตเนี่ย <c oughs> พระเทวทัตเนี่ยหลีดจากพระพุทธศาสนาคือทําสง์ให้แตกแยกเนี่ยนะทำลายสง์พระเทวทัตเนี่ยทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อในที่สุดก็ทําสังกเภทแยกหมู่สงออกไปอีกที่หนึ่งเนี่ยนะแยกไปอยู่อีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิดจกูฎ <c oughs> พระเทวทัตเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงธรรมปรารบพระเทวทัตตรัสเรียกพิสุทั้งหลายมาว่า ดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธา น, น, นะพระเทวทัตนี้จริงๆก็นะว่าเป็นกุลบุตรนะชาติตระกูลท่านก็เป็นชาติตระกูลสูงเป้าหมายเบื้องต้นเลยท่านก็บวชเพื่อบรรลุมรรคผลเหมือนกันนั่นแหละแต่แต่แต่อะไรแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมมาดูว่าตอนออกบวชนี่ตั้งเจตนาเอาไวด้ดีนะน่ะ ก็คือเหมือนอย่างที่พระพิสุลายรูปเนี่ยนะพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะยกเอาเฉพาะเจตนาตอนบวชว่าทําไมเขาจึงมาบวชเขามีปัญหาอะไรเขามีอุปสรรคอะไรเขาเห็นพิษเห็นภัยในวัฏฏะอย่างไรจึงออกมาบวชแต่บวชมาแล้วมาแล้วเนี่ยนะจะรักษาเจตนารมเดิมอยู่หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ า, าการที่จะเรียกร้องศรัทธาให้คนอื่นเห็นใจเนี่ยก็ต้องยกเรื่องราวที่ตัวเองเคยที่สาเหตุให้ตัวเองมาบวชนั่นแหละเป็นจุดยืนแล้วก็จุดขายเนี่ยนะ อย่างเช่นเนี่ยกรณีพระเทวทัตเนี่ยนะตอนแรกเลยท่านก็ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธามีความคิดอยู่ว่าเรานี้เป็นผู้ถูกชาติชาราอะ น, นะถูกชาติครอบท่วมทับแล้วถูกชาราท่วมทับแล้วถูกมรณะท่วมทับแล้วถูกโสกปริเทวะทุกขโทมานัตอุปาญาตครอบงมแล้วถูกความทุกข์เหล่านี้ท่วมทับแล้วก็ทับถมเอาแล้ว ชีวิตเนี่ยที่ผ่านมาก็ล้วนแต่ทุกทั้งนั้นที่จะมีต่อต่อไปก็มีแต่กองทุกเรียกว่าทุกขเป็นเบื้องหน้าทุกอะไรอดีตที่ผ่านมาทุกพบที่ทุกชาติที่เวียนว่ายตายเกิดมาก็เป็นชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตปัจจุบันชาตินี้ก็อยู่ด้วยชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตถ้าชาติต่อไปที่จะต้องเกิดอีกพ้นไหม